ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังพูดเรื่องสันเลขสูตรคือพระสูตรที่ว่าโดยธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศล ถึง44คู่ด้วยกันแต่องค์ธรรมเหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็สรุปที่โลกกดหลงกับไม่โลกไม่กดไม่หลงหรือว่าส่วนของกุศลจะสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาหรืการไม่ทำบาปั้งพวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ฟ่องแพ้่กันได้ ก็ที่ยิงในส่วนของพระบาลีพุทธวจนะก็จบไปแล้วเต่ในยะที่น่าจะทำความเข้าใจอยู่อีกหลายประเด็นตามนนยะที่พระตกถาจารย์ท่านอธิบายไว้ประการแรกคืออัตวาธาะเลโลกวาธะนี่คือความยึดถือเป็นตัวเป็นตนในรูปแบบต่างๆ มันก็นำไปสู่มานะแล้วก็ตันหาหแต่ว่าเวลาทรงแสดงจะส่งแสดงว่าตันหามานะทิฏฐิคือหมายความว่าอาการที่เด่นมากเด่นคืออาการของตัหาซึ่งเป็นความรุนแรงต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายในโลกเราสังเกตว่าลุนแล้วจะเป็นอาการของตันหา ความอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยวิธีการต่างๆแล้วก็มีการต่อสู้มีการทิษยามีการแข่งดีมีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันจนกลายเป็นศึกสงครามแบ่งฝ่ายรบกันเองอย่างในประเทศอิรักแล้วก็อยู่ในส่วนต่างๆของโลกถึงถ้าเราถามเราจะเห็นว่ามันไปเจอทิศทิ คือความยึดติดในตัวตนรุนแรงจนถึงปฏิเสธคนอื่นแล้วก็ไปสมมติทับซ้อนเข้าไปอีกก็กลายเป็นมานะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นก็เป็นกันอย่าแต่เราก็ไม่ควรลืมนะฮะว่าที่จริงก็ตาสนามานะทิฏฐิเนี่ย มันเป็นธรรมาตที่เหนี่ยวรังสังคมเอาไว้ให้เนิ่นช้าแต่ในขณะเดียวกันตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่กระแสปณิพานเราก็ยังมีเรื่องเหล่านี้อยู่รนญาที่ประทับถาจารย์ท่านอธิบายถึงขยายตันหาเป็นตัณหา108รา้อยแปดประการโดยเอาตัณหาในอารมณ์หกนี้เป็นหลัก คือหมายความมารูปปัญหาสถาตัญหากันทันนาัญหาพูดง่ายว่าความทะเยอจิตที่ทดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบสใทภะในธรรมารมก็เป็นหกแล้วก็เป็นภาวะปัญหาภวะตัญหาก็หกวิภาวะัญหาก็หกก็หกสามก็สิบแปดแล้วก็เป็นเรื่อง จิตไปข้องเกี่ยวก็ไปเกี่ยวข้องกับการอะไรแต่ต่างก็ไปก็คุณไปคุณผ่าก็ได้เป็นตัณหาหนึร้อยแปดก็เรียกตัณหาวิจริตรือวันจิตที่ลั่นไปในกระแสของตัณหาเนี่ยรอนสกเกตวัจิตเวัลั่นมันไม่ได้อยู่มันไม่อยู่ที่ปัจจุบันอย่างเดียวมันไปอยู่ในอดีตไปอยู่ในอนาคตแล้วก็ยังต่อเนื่องกันไป เป็นเรียเป็นลีลาอารมณ์เป็นลักษณะทางอารมณ์มานะทั้งกระจายออกไปเป็นมานะเก้า 9. ซึ่งเมื่อที่จริงก็มานะส่วนใหญ่มันก็มาจากฐานหลักมานะสามเนี่ยขยายเป็นเก้าคือสําคัญว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเสมอเขาหรือเลว ก, กว่าเขาทีนี้พวกเนี้ยก็แตกลูกออกไปเป็นอย่างละสาม ก็ทํานองคล้ายๆกับเวทนาเหอเหนว่าเวทนามันก็คือเวทนาแปลว่าจิตที่เสวยอารมณ์ถ้าเราชอบมันก็เป็นสุขเวทนาแต่เวทนาก็ปรากฏทางกายปรากฏทางจิตจิตเป็นตัวเสวยแน่นอนแต่ว่าอาการบางอย่างเป็นอาการที่กาย แต่เมื่อจิตมีความรู้สึ ก, กว่าเป็นกายเราเนี่ยเราก็ปวดเราก็สุขเราก็ทุกข์เราก็ทาแยกแยกเป็นเวทนาหกก็มีเวทนาห้าก็มีเวทนาเก้าก็มีแล้วเวทนาเหล่านี้ยก็กระจายออกไปเยอะแยะอีกก็มรณะเนี่ย เราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวเลิศกว่าเขาเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวเสมอเขาเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขาและทีนี้ไอ้คนที่เสมอเขามันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดเราเลิศกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาคนที่เลวกว่าเขาก็อีกอะมันก็คิดว่าเราเลิศกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาแต่อย่างก็นําไปสู่ปัญหาได้กันทั้งนั้นทีนี้ทิฏิ ทิฏิก็ตั้งก็จำแนกแสดงออกไปเป็นทิฏฐิทิฏฐิยี่สิบแล้วก็ไปจนถึงทิฏฐิหกสิบสองแต่ทิฏฐิตัวหลักที่เน้นในที่นี้ก็คือทิฏฐิยี่สิบเพราะว่าเป็นการพูดถึงอัตวาทะคือตัวตนที่ถาวรยั่งยืนกับโล ก, กวาทะโลกที่ถาวรยั่งยืนหรือไม่ถาวรยั่งยืนทีนี้ในความเป็นมานาเนี่ย มันมีมานะอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าอธาิมานะเป็นลักษณะของความสําคัญผิดเราจะเห็นว่าม า, มานะมันปรกกากฏตัวเยอะโอมานะอธิมานะอธิมานะ อ, อะไรต่าง ๆ, ๆเนี่ยตัวอธิมาณะเนี่ยมันเป็นลักษณะการสําคัญผิดคือเข้าใจผิดของผั่นที่บําเพ็ญเพียรทางจิต มาแย่แต่ยังไม่บรรลุโสดานะฮะคือคือหมายความว่าก่อนที่จะเป็นประโสบธรรมมันจะหลงผิดเข้าใจผิดในช่วงของการเจริญสมถกรรมฐานหรือแม้แต่วิปัสสนากรรมฐานโอกาสที่จะเข้าใจคืออกิเลสมันสงบแล้วท่านก็จเจริญฌานอยู่เรื่อยพิจารณาวิปัสสนาอยู่เรื่อยกิเลสมันสงบ เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสทั้งๆที่มีกิเลสลักษณะเหล่านี้ที่จริงจําแนกตัวเองเป็นสี่ประการนะนะคือมีกิเลสแต่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสมีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสแล้วก็ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีกิเลส จำแนกเอาไปเป็นสี่เป็นสี่ประเภทพวกนี้จริงๆมีกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตัวเองมีกิเลสพอไม่รู้ตัวเองมีกิเลสก็สำคัญผิดอาจจะปฏิญาณตนว่าเป็นพระอริยบุคคลในชื่อต่างๆก็แล้วแต่เป็มัสโซดาสกิตาคานาคาอารหรันแต่ว่าความอธิมานังไม่เกิดแก่พระอริยบุคคลนะฮะเกิดแก่ปุถุชนมันก็มีปัญหาที่เราถกเถียงกัน แล้วในประเทศไทยเราเราจะเห็นว่าจะมีข่าวในเรื่องเหล่านี้เยอะบ่อยลูกศิษย์ช่วยโฆษณาให้บ้างบางทีอาจารย์มันขึ้นมาก็พูดตัวเองบ้างปฏิญาณตนเป็นพระบุคคลในฐานะนั้นๆซึ่งปัญหาเหล่านี้ในสมัยที่พระอาจารย์มันยังมีชีวิตอยู่มีผู้ใหญ่เล่า ว่าได้เกิดความสาคัญผิดแบบปฏิบาณ์นี่ขึ้นที่จังหวัดพระจีนบุรีแล้วก็สมเด็จ<ม>พระพุทธโคสาจารย์เจริญ ญ, ญาณวรวัดเทพสิริเนี่ยท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ก็ท่านตัดสินไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ท่านก็มากักไว้ที่วัดต้องการจะตรดสอบก็เรียกพระอาจารย์มั่นขึ้นมา พระอาจารย์มั่นนี่มามาถึงกลางคืนแต่องค์น้นก็นอนอยู่ชั้นบนพอาจารย์มั่นก็นอนชั้นล่างอาจารย์มั่นก็เข้าสมาธิตามจิตนะองค์โน้นก็อยู่ในสมาธิเหมือนกันก็จับไม่ได้เพราะว่าจิต ท, ท่านก็ใสจิต ท, ท่านบริสุทธิ์แต่ว่าตอนหลับเนี่ยพระอราหันต์ข้บนนั่นหลับแต่ข้างล่างไม่หลับ พอตอนหลับเนี่ยมฝันเลยคือแสดงว่าจิตมันถูกกดเอาไว้คือต้องเข้าใจนะว่าพระโสดาบันไม่ฝันในเรื่องคือคือแม้แต่คนได้ชานเนี่ยจริงไม่ฝันระดับละมกในฝันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอท่านหลับท่านก็ฝันไปยุ่งไปหมดเลยรุ่งขึ้นเชาน้านี่อาจารย์มั่นท่านก็ไม่ได้นอน่ะท่านก็ไปบินถ้า โอโน่ก็ตื่นสายก็ไปบินธบัตแล้วก็กลับมาที่หลังอาจารย์มั่งก็สันอยู่โอโน่ขึ้นมาบันไดท่านก็ปริเปรยบอกเออพระอรหันต์ก็ฝันถึงลูกถึงเมียถึงทรัพย์สินเงินทองกันก็สนุกดีเหมือนกันนะโอโนถามฝันก็ไม่ได้เลยครับบอกฝันก็ไม่ฝันท่านก็ตกใจอ่ะนะก็กราบลงขอโทษบอกเขาใจผิดมานานแล้วเนี่ย อันนี้คือคืออย่างนี้ที่จริงไม่ไม่เป็นอาบัตินะท่านบอกยกเว้นแต่อธิมานะคือยกเว้นแต่สำคัญผิดทีนี่ต อ, ตอนนี้พระตักษาาจารย์ท่านท่นานอธิบายขยายความให้เห็นว่าอธิมานะว่าเราเป็นเราเป็นพระนาคามีพระโสดาบันะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดแก่พร ะ, ะบุคคล แต่เกิดแก่ผู้ทุชนได้แล้วทา้าก็ยกตัวอย่างถึงพระเทรรรูปหนึ่งที่จริงเป็นเป็นพระเทระผู้ชายนะแต่ชื่อใกล้ๆก็ผู้หญิงคือธรรมทินนาแต่ถ้าผู้หญิงก็เป็นธรรมทินาแต่ผู้ชายจริงก็ชื่อได้นะธรรมทินนา ก็ภิกษุหลายรูปตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระอุปสมบทแล้วไม่นานก็บรรลุคุณพิเศษภิกษุชาวติดสะมหาวิหารที่เกาะลังกานะฮะแต่ทราบพฤติกรรมเะนั้นแล้วก็ลงความเห็นว่าพระเถระประกอบในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อันนี้คือคนบางคนเนี่ยมันตัดสินในชายอารมณ์ตัดทิน เราเห็นว่าในช่วงกลางๆเดือนนะะวันที่สิบกว่าเนี่ยเดือนกันยายนที่สิบกว่ามีการทองสามเรื่องที่ที่ก็ถือว่าแปลกเป็นวิถีสังคมฮะคือฝนตกแล้วก็เกิดตั้งฝุนอะไรแต่อะไ ร, ะไรต่างๆ โวยวายกันเป็นการใหญ่มากก็ดา่าน้อยก็ดา่าไม่ตกก็ดา่าขนแหลงก็ดา่าไอ้ะจะเอาอยัางไงมนุษย์นี่ยอันนี้มันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตัวของมันนั่นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเป็นทุกข์สัตย์เราไปเรียกร้องอะไรเขาอ่ะเขาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของเขาก็ม่เหตุปัจจัยให้เกิดเขเกิดเหตุปัจจัยให้ดับมันก็นดับเหตุปัจจัยตั้งอยู่เขาก็ตั้งอยู่ ปัญหาว่าเราอยู่กับเขาเราอาศัยเขาเขามากหรือเขาน้อยนะเป็นเรื่องของเขาเราก็พยายามหาประโยชน์จากทั้งมากเลยทั้งน้อยให้ได้ถ้ามากก็เก็บกักเก็บเอาไว้ในโอกาสอื่นในโอกาสแห้งแล้งถ้าน้อยมันก็มีการประหยัดน้ากันหน่อยมันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ต้องโบนไม่ต้องโวยวายไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมัน ถ้าเข้าถึงธรรมดาและสุขภาพจิตเราจะดีขึ้นเยอะ่ อ, อีกเรื่องนึ่งมีอะไรมีการซื้อหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหุ้นนั่นนะือเป็นเรื่องแปลกว่ามันของมือก็ของวางอยู่ในตลาดนคนที่มีเงินมีสิบซื้อแล้วตอนขังซื้อไม่เห็นบวยวายกันแปลกคนไทยเนี่ย คนไทยโดยการซื้อโวยวายกันใหญ่คล้ายๆกับเกิดกรลียุคคล้ายๆกับมาครอบงำความคิดจิตใจของนักหนังสือพิมพ์โอไปกันใหญ่เลยแต่งตั้งเองคิดเองตัดสินใจเองพิภากษาเองเสร็จแล้วก็ไปกันไปแถวเป็นลรงแปลกในกระแสของคนไทยสามร้อยสามสิบเ็ดคนก็เมือนกัน คือ ม, มันมีสัญชา ต, ตยาตลึกๆอะไรเนะี่ยพอได้ข่าวปั๊บเนี่ยมันเอ้ยเปิดแผนเจ็บตัวคือแผนแบบเดียวกับวัดสการพรามนะคต่เราคิดไดีะเด็กผู้หญิงคนแกนะ่ราชการจะไปรังแก่ก็ได้ยังไงก็แสดงว่ามีการจัดตั้งเป็นกระบวนการจัดตั้ง เป็นแผนที่จะดิสเครดิตคนไทยแล้วก็สร้างมติอิสลามโลกขึ้นมาเพื่อให้เป็นศัตรูต่อประเทศไทยคุณเราก็ข้าวทางเลยเพือแทนที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบไม่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบประยะดารัฐบาลไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเดียะอา้าวพอทนายกไปพูดจงการประชาชาติเอาอีล่ลนะ่ะนักการทูตใหญ่ออกอีกและ เป็นการไม่เหมาะไม่ควรที่ด่าองค์การประชาชาติมันเป็นสมาชิกในบริษัทเดียวกันนะฮะประชาชาติได้ผิดก็ต้องพูดถูกก็ต้องพูดเราไปชุมเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหากันเนี่ยทําไมพูดเฉพาะเรื่องเดียวองค์การประชาชาติไม่ใช่พระอระหันต์นี่นะติติจริงอะไรไม่ได้ไอ้เร่คือลักษณะเราจะเห็นว่ามันสับสนหมดเลยความคิด เป็นอะไรเป็นลักษณะทางอารมณ์มันก็ไม่รู้ว่าอาคติบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็รุมรังเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องขัดเกลารงนั้นนะแต่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือแทนที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลรัฐบาลของเรานะฮะไม่ใช่รัฐบาลต่างชาติน่ แล้วม้แบ่งฝ่ายรกกับรัฐบาลตัวเองถึงแม้ารายการรายการหนึ่งทางโทรทัศน์ก็ได้ฟังเขาไม่ตลอดหรอกแต่มาบอกไอ้คนนี้พูดชบคุณพูดคล้ายๆกับป้องการให้สถานีโทรทัศน์ปิดรายการของตัวเองแล้วจะหาลูกเล่นงานวรังแกสื่อก็คอยดูก็แล้วกันนะฮะ แต่จะเห็นว่ากระแสกิเลสกระแสอารมณ์เนี่ยกระแสสังคมก็จะเราเข้าใจเข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยเราจะมองค่อนข้างออกนะวันนี้เออมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ก็ธรรมชาติอ่ะเราก็าจะธรรมชาติของกิเลสเข้าใจธรรมชาติของธรรมชาติที่เป็นกฎธรรมชาติอ ตัวอย่างที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกขสัตย์ไม่ใช่เป็นอริยสัตว์โลกทั้งปวงเนี่ยเป็นกระบวนการของอริยสัตว์ล้วนๆจับหลักอริยสัตว์ให้ได้เราจะมองในมิติของอริยสัตว์แล้วเราจะไม่รุงรังเราจะไม่เดือดร้อนเพราะฝนตกมากหรือตกน้อยแต่จะปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้ทั้งฝนตกและฝนแรงฝนมากหรือฝนน้อยแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ แล้วก็เหมือนกับชีวิตเราอะเราอยู่กับมันน่ะแก่เจ็บตายเราอยู่กับมันอยู่แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์จากความแก่ความเจ็บความตายได้มากที่สุดก็แล้วกันตายเมื่อไหร่มันก็คือเมื่อ น, นั้นเนี่ยเราไปหยุดมันไม่ได้หยุดแก่ก็ไม่ได้หยุดเจ็บก็ไม่ได้หยุดตายก็ไม่ได้แต่เราก็พยายามใช้ประโยชน์จากชีวิตร่างกายที่ยังมีอยู่เนี่ให้มันเกิดสารประโยชน์ วันเราเราเห็น ว, ว่าความคิดของพระเราเนี่ยพอเห็นเพื่อนดีเด่นดังขึ้นมาเอาแล้วหาเรื่องแล้วก็บอกว่าก็ลงมตินะลงมติให้เรียกประเทราเนี่ยไปพบใหญ่โตนะใโตนี่ก็คือคืออะไรอะคือ เราเห็นว่าใช้อำนาจของกลุ่มคนที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและประธรรมวินยัยแล้วถ้าเรามีเหตุผลได้ยุติโดยประธรรมวินัยเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกผ่านถ้าไม่ได้ทาชั่วทําผิดอะไรเีนนี้พอส่งไปแล้วในภิกษุเหล่านั้นไปถึงแล้วก็ไปเรียนธรรมะในสำนักขปรธรรมอินาแล้วก็ เป็นครั้งแรกก็ไปเรียนก่อด น, นะฮะบอกว่ากร็ตะท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจะแสวงหาตนหรือว่าคนอื่นคือคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอท่านเหล่านั้นไปบอกแล้วก็พระธทรรับปฏิหน้าท่านถามมันจะแสวงหาตนแสวงหาคนอื่นดีคํานี้เราจะผมนึกออกนะว่าเป็นคําเดียวกับที่อุ้ยเจ้ารับสั่งแก่ท่านพัทวคีตีพบกัน ร, ระหว่างทางที่อุ้ยเจ้าจะเสด็จไปที่ขยาศีสะ ที่อุรุเวลาเพื่อไปโปรดผูราในฉ ด, ดินพิสุทั้งหลายก็เรียนว่าขาแต่ท่านสัตว์ปรุษเราทั้งหลายแสวงหาตนพระเทรากก็เลยให้กรรมฐ า, านแก่พิสุตเหล่านั้นพิสุตเหล่านั้นก็ได้บรรลุมาผลเป็นพระรหัสหมดทุกรูปไปอีกฝ่ายหนึ่งปรติศวิหารเนี่ยก็กส่งไปอีกส่งไปอีกก็บรรลุอีกจนถึงสามครั้งนะ จะถึงสามครั้งพระที่ไปทั้งสามชุดในบนรรลุมกโหนเป็นพรานกันหมดเลยต่อจากนั้นมาพระสงฆ์เห็นว่าพระที่ไปแล้วไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาจึงได้ส่งภิกษุหลวงตาไปอีกรูปหนึ่งหลวงตานี่ก็เบ่งมากเลยเบ่งมากก็ไปถึงก็พูดว่าท่านธรรมทินนาภิกษุสงฆ์สำนักติดสมหาวิหาร ส่งพระมาที่สำนักของท่านหนึ่งสามครั้งแต่ท่านเองก็ไม่ทําความเคารพอนัดสงไม่มาไม่ไปตามคำสั่งพรับจ้าอบ่านี้อะไรกันคือคือว่าท่านนั่งสามชุดเนี่ยท่านท่านท่านไม่ได้ตอบท่านไม่ได้บอกวสงสงบังคับให้ท่านไปเนี่ยท่านไม่ได้บอกหลวงตาก็เลยก็รับอาบาตแล้วก็จีวรโดย ไม่ต้องเข้าไปในบรรณสศาลาแล้วก็ออกไปทันทีแหละทวาก็ได้แวะไปยังหังกะนะวิหารระหว่างทางในที่นั้นก็มีพระมหาเทระรูปหนึ่งบนเส้นทางที่พระธรรมธิดาท่านไปเนี่ยก็ไปถึงสำนักก็มีพระเทระรูปหนึ่งก็เกิดอธิบานณอย่างเงี้ยเข้าใจว่าตัวเองบรรลุมรรคผลมาตั้งหกสิบปีแล้ว พระธรรมธินนาไปถึงก็เข้าไปก็ไหว้ต่างปฏิสันฐานแล้วก็สอบถามว่าท่านธรรมธิเนากิจที่บรรไปจิตพึงทมเนี่ยผมได้ทำเสร็จม า, นานแล้วสำนวนปฏิญาณตนว่าเป็นพระหานะ่ะเราเสร็จกิจแล้วผู้บอกเราเสร็จกิจแล้วอย่างเงี้ยในสำนวนพระนี่ถือว่า ปฏิญาณตนเป็นพระอระหรันนะคำว่าเสร็จกิจในที่นี้หมายถึงกิจเพื่อตัวเองแต่ว่ากิจเพื่อคนอื่นนะก็ยังไม่จบเป็การนุเคราะห์โลกแต่ถ้าพูดอย่างนี้หมายความปฏิญาณตนว่าเป็นพระอระหัน์นะไม่ใช่ระดับอื่นเพราะระดับอื่นนั้นยังยองยังไม่เสร็จกิจพระธรรมธินาก็ถามพรรษาท่านก็บอกว่า วันนี้ผมก็ปรรษาหกสิบล่วงแล้วท่านธรรมปฏิณาก็เรียนถามมาแต่เท้าแต่เท้าใช้ใช้ลิศได้บ้างไหมท่านบอกว่าใช้ได้ธรรมปฏิณาก็ขอให้นิรมิตเป็นช้างเชือกใหญ่แล้วก็เดินมาประจันหน้าคือตอนนิรมิตช้างมันเกิดเนี่ยท่านก็ยังยังสงบอยู่นะแต่ตอนช้างมันเดินย่างสามคุมเข้ามาเนี่ท่านตกใจะ พอตอนแกก็รู้คิดจะวิ่งหนีแล้วก็รู้ว่าตัวเองยังไม่บรรลกุก็ท่านรู้ตั ว, ตวเองนะแล้วก็นั่งกระโยงประนมมือต่อหน้าของพระเถระแล้วก็ขอให้พระเถระเป็นที่พึ่งพระเถระก็บอกว่า ท่านจะได้เศร้าโศกจะได้เสียใจมานะยิ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะแก่การะกะบุคคลทั้งหลายเท่านั้นคือหมายความว่าคนจะคนทำดีเท่านั้นนะฮะอาทิตมานะเนี่มันเกิดแก่คนที่เจริญสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานเท่านั้นมันไม่จะเกิดแก่คนเลเพราพาสอะไรๆไม่จะเกิดหรอกตอนจิงบอกว่าการะกะบุคคลบุคคลผู้กระทำความเพียรเท่านั้นทำความดีเท่านั้น เสร็จแล้วก็ให้กรรมฐานที่เหมาะวรเพราะว่าท่านมีเจโตุปญญาในแง่ปฏิหารเรียกอเทศนาปฏิหารเพราะว่าท่านเป็นอรหันตระดับเขาเรียกวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกก็สุดยอดอลยนะก็ให้กรรมฐานที่เหมาะควรก็ตอนนะ น, น, นี้ก็เปรลุมาพุน แล้วก็เดินบนทางเส้นเส้นทางนี่ก็แวะที่จิตตะละดาบันพศก็ไปเจอพระทัรมนองเดียวกันก็สอบถามท้าบความว่าพันเสร็จกิจมานานแล้วพระเตรักษ์ก็ขอให้ดิรมิดเป็นสระบุกรณีขึ้นมาหนึ่งสะ แล้วก็ให้เดนอมิทเป็นผู้หญิงขึ้นมาคนหนึ่งแล้วให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะไร่รำไม่ไม่ใช่ไร่รำคือให้เพ่งมองฮะให้ให้ให้จ้องมองจีตาผู้หญิงเนี่ยคือตอนเดนอมิทขึ้นมาเนี่ยจิตอย่างสงบอยู่พร้อมเพ่งมองกันเองกามราคะก็เกิดกิเดลสมันฟูขึ้นอันนี้คือบทพิสูจน์พระพุทธศาสนาเนี่ย ธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาจะมีการวัดผลได้ด้วยจิตตัวเองเพราะการที่พระพุทธเจ้าเผะเชิญกับนางตันหาราคาระตีเนี่ยเป็นการยืนยันถึงพระสัพพัญญุตญาณเพราะเรียกว่าถ้าไม่ระดับพระรยาบุคคลแล้วเนี่ยยากนะที่จะไปต้านทานอารมณ์โลก ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสมาหมดเลยเราเรียกว่ากรรมคุณทั้งห้าเนี่ยพวงดอกไม้เข้า ง, งานมาครบจุดเพราะงั้นเมื่อพระเทเรศคิดบ่อยๆเพ่งพิจารณาบ่อยๆจิตก็ฝูขึ้นแต่ก็ดีนะฮะคือคือท่านก็รู้สึกตัวแล้วก็ปฏิญาณตัวเองปฏิยาณตัวเองว่าท่านหลงผิดทั้งเข้าใจผิดไปก็ขอโทษพระเทเรศ แล้วก็ขอให้ปริระสอนพระเทระก็ให้กรรมาฐานแล้วก็ได้บรรลุมรุปผลเป็นพระหานพราะว่าฐานท่านดีแล้วมันไปติดอ่ะพวกนี้บางทีก็ไปติดอยู่บางทีอยู่ในช่วงของเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสยุคกิเลมสงบมองตัวเองไม่ออกคือดูตัวเองไม่ออกทีนี้พระธรรมมทินนะก็ได้ไปยังติสสะมหาวิหารตามลําดับแล้วก็ในเวลานั้น พระเจ้าทั้งหลายก็กวาดลานพระเจดีย์แล้วก็นั่งกรรมาฐานยังปีติคือเป็นพุทธานุติตนะเจริญพุทธานุติก็เป็นกิจวัตรของท่านเพระนั้นไม่มีพระเถ้าแม้แต่รูปเดียวบรรดาพระเถราเหล่านั้นจะบอกและจะถามท่านธรรมธิ น, นานี่ว่าท่านจะวางบาทรอย่างนั้นอย่างนั้ น, นแต่ว่าทุกรูปไม่รู้ ท่านเหล่านั้นจึงพากันมาสอบถามปัญหากับท่านท่านก็ตอบตัดปัญหาที่ถามมาเหมือนกับเหมือนกับแฉดาบท่านบอกเหมือนกับแฉดาบตัดขบัวก็คือพวกนี้ก็เหมือนกันนะคือจิตสงบก็จะเริญนอนุนสติแล้วก็จิตสงบก็นึกว่าตัวเองก็เก่งหรืว่าค น, นอื่นก็ผิดตัวเองก็ถูก เลอมาถึงก็ลองดีเลยก็ทัดทดทศสอบด้วยการถามปัญหาก่อนในที่สุดพระเทวท่านก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญเออคือคือคือพระเทรทาแสดงอภิน ญ, ญานะะเอาเท้ากดแผ่นปฏิพีแล้วก็พูดว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญแม่ปฏิพีนี้ ปัตเีนี้แม้จะไม่มีจิตใจยังรู้คุณของธรรมทินะแต่ท่านทั้งหลายไม่รู้จึงได้กล่าวคาถานี้ว่าท่านผู้เจริญแผ่นดินนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณน้อยใหญ่ส่วนท่านทั้งหลายมีจิตใจแต่ไม่รู้คุณค่าน้อยใหญ่นี่ก็เป็นการให้สติตักเตือนคือด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ การกระททั้งหมดพระเทวทรรมดยการุณาขึ้นแนวอำนาจทางการปกครองเนี่ยทางการบริหารก็เคยคุยกับ พ, กพวกที่เวลาบรรยายอบรมประสังขติกาเนี่ยขอให้สติท่านบอกว่าจยลยูนะฮะตำแหน่งทางการปกครองเนี่ยมันมีในระดับของครูบาอาจารย์ อาจารย์ปกครองสิทธิอุปช้ายะปกครองสัตยปริศยาวาสปกครองพระภายในวัดแล้วคณาจารย์ที่สอนพระไตรปิดกแต่ละชุดเนี่ยจะปกครองลูกศิษย์แต่ข้อที่เราไม่ควรลืมก็คือว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้เน้นในการปกครองท่านเหล่านั้นเน้นที่การศึกษาแล้วก็เน้นที่การปฏิบัติ ทีนี้คนเราองกมีการศึกษาดีมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและการปกครองไม่มีความจะเป็นอะไรเพราะแต่ละคนมันมีวินัยในตัวเองนอกจากใครแหลมๆขึ้นมาก็ว่าแต่ว่าทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์อต่ น, นี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่มากทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีตําแหน่งตําแหน่งต่างๆยกเว้นตําแหน่งเจ้าวาดเนี่ยที่เรามีในปัจจุบันไม่มีในธรรมวิ น, ยนัยนะะ มันจริงๆเราคุ้มครองตัวเองไม่ได้ถ้่หากว่าเกิดไปใช้อารมณ์เช่สนสมมติว่าพระผิดระดับหนึ่งเนี่ยแล้วไปจับข้อศึกเนี่ยคือเราไม่มีสิทธิจัจักสึกนะฮะเขาไม่ได้บวชอุทิศพระไม่ได้บวชอุทิศเราบวชอุทิศพระตัตนต ร, รัยพาราคีของเราคืออบรมสั่งสอนแนะนํา ถ้าท่านจะสึกท่านต้องสึกโดยตัวขอท่านเองหรือท่านละเมิดอาบัติประชิกขาดจากความเป็นพระไปเองอต่นี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากคือบางทีเขาบอา อ, องค์นี้ปกครองเด็ดขาดไม่ได้มาไล่สึกไล่สึกไล่ออกจากวัดแต่จริงๆไม่คุ้มอาบัตนะฮะไม่คุ้มบาปหมายความว่าไม่คุ้มบาปที่เขาเรียกว่าพราหม์ประหารพราหมณ์ตัวนี้ตามปกติเราเราเร า, เราไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่ แล้วก็พเพลินในการใช้อำ น, นาจเป็นเรื่องน่าห่วงนะแต่ลองสังเกตเนี่ยพระพวกกลุ่มปิดสะวิหานี่ติดสะมหาวิหานี่ก็ไม่ดูว่าใครเป็นใครเอาก็เรียกเรียกขนาดเรียกพระอราหันต์มาอบรมก็ไม่ใช่ธรรมดานะใหญ่โตมากอันนี้ก็ใช้อำ น, นาจของของสูงของหมู่ แต่ว่าโดยสถานะมันไม่โครงสร้างการปกครองสมัยนั้นไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ไม่ได้เป็นเจ้าคณะแต่ยืม่าทั้งหมดเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาออกกฎหมายให้มันไม่ใช่เรื่องของพระธรรมวินัยแต่พระเองต้องเน้นที่พระธรรมวินัยการบริหารการปกครองต้องมาทีหลังต้องเน้นที่การศึกษาต้องเน้นที่การปฏิบัติ แล้วก็พัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการเผยแพ่ทีนี้ก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่พระเจ้าทรงแสดงถึงว่าจนถึงอรูปฌานเนี่ยมันไม่เป็นสันเลกรรมแต่ว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารทีนี้พอมาถึงพวกอรูปฌานซึ่งก็ที่จริงก็ไม่เบานะฮะ ก็ไม่เบาแต่ว่าทรงใช้คาสันติวิหารธรรมก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเครื่องขัดเกลามันเป็นการสงบหรือสยบกิเลสไว้ตอนนั้นก็มีประเด็นหนึ่งที่มีการพูดพระธรรมเทศนาที่ที่ิวเจ้าทรงแสดงว่ากล่าโดยสรุปว่าคนที่ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองได้เนี่ย ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนคนอี่นตรงเนี้ยพระาตราจารย์ท่านอธิบายท่านอธิบายทราบว่าพระที่ทนะําหน้าที่ตรงเนี้จะต้องสนักจะต้องสนักว่าตัวเองเป็นเพียงพระเรียกราชทูตนะเป็นราชทูตที่มีหนะ้าที่อ่านราชสารคือราชสารว่าอย่างไงอะ่ะก็อ่านไปตามนั้น มันไม่ใช่ว่าเราจะเราจะว่าเ อ, าเองตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นประเด็นหลักที่ที่จึงควรจะเผยแพร่ขึ้นไหนในแวดวงของพระหรือพระส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกพระใจวีดโกรกแต่จริงแล้วก็ควรจะไปเผยแพร่ให้ทราบแล้วให้ตรหนักอย่าพูดเราเองอย่าว่าเ อ, าเองแล้วไม่มีที่ไปที่มาแล้วทำกันเองอย่างนี้วันก่อนมีข่าวอะไรทีออกวิโย พระระดับเจ้าวาดอะไปเจิมผู้หญิงเจิมที่หน้าผากผู้หญิงเจ้ากน็นำเผื่อรู้ก็ไปมีหนังสือไปให้ทบทวนตัวเองตักเตือนตัวเองคืนนี้แสดงไม่เคยเป็นสีภาษาเลยเลยมันไม่มีในธรรมวินัยอะมันเป็นนอกธรรมนอกวินัยมันผิดสีระดับวัชิมสีนะ่ พธามะระดับอัญิมศีแต่ว่าในวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอเนสนาแล้วก็เป็นบาปสมาจารเป็นการสแสวงหาที่ไม่ไม่สมควรแล้วก็เป็นการประพฤติเป็นบาปเพราะน้นเองจะต้องสนักเพราเราคือราชทูตอ่านักราศาสตร์ถ้าราชทูตจะรับการยกย่องชื่นชม นะก็อ่านดี อ, นอ่านไพเราะมีจังหวะจะโคนมีความสละสลวยอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปแต่จะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ธรรมะของเราจะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยคราวหนึ่งเขาก็ดังมากนะเ ด, เ, ดเดี๋ยวนี้ก็ยังดังอยู่ก็มีรายการธรรมะของพระแล้วก็ชื่อของพระรูปนั้น แล้วก็ในมนมาไปบรรยายที่วัดเขาเราก็เตือนเขาออกทางออกทางอากาศได้ออกทําไมอุโผนะเนี่ยเอ้อย่าไปใช้คําอย่า ง, งานั้นธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสัจะรู้เราเป็นใครที่บอกไว้ธรรมะของเราอะเราเป็นใครแล้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ลูกศิษย์เนี่ยไปใช้ว่าค่าตำธรรมะของเราแล้วเคยพบในหนังสือพิมพ์ มีการเขียนอาพุทธศาสนสุภาษิตมาลงเนี่ยว่าทะของพระอาจารย์ลบนั้นลบนั้นลบนั้นลบมาลงเอมันเป็นยังไงอ่าพระเดี๋ยนี้ก็อย่าลืมนะฮะตรงตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตรสนักจะต้องสนักว่าเรามีหน้าที่เพียงราชทูตอ่านราชสารแล้วอย่าลืมมาแม้แต่พระอริยบุคคลระดับพระโสดาบัน พระอาหารหันตะ์ระดับราหันต์ท่านเวลาท่านอธิบายธรรมะเสร็จเนี่ยท่านก็บอกให้ไปสอบทานกับที่พระเจ้าทรงแสดงว่าถ้าพระเจ้าแสดงว่ายังไงให้จําไว้อยังงั้นที่ก็ได้นอนที่จริ้มก็ตรงแต่ท่านต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่ธรรมะของท่านภาษาดีบุตรก็ดีพระโมกขลานาก็ดีเนี่ยแม่ประมาทกระจายนะ ก็ทุกรูปแหละหมายความว่าเขาราัเทำทุนทำในขอน้อนี้ท่านท่านก็ยกประเด็นที่ว่าเนี่ยทีย่ว่าไม่ควรไม่ควรจะคือคื อ, คอการที่พระเทศเนี่ยให้ถือว่าเป็นตัวท ร, รมันก็ถึกให้ถือว่าเป็นราชทูต ท, ที่อ่านราชสารนะคนที่นั้น พระรา ช, ราชาหักเลขาหรือพระราชสารเนี่ยที่ส่งไปในที่ต่างๆบางทีคนที่นั้นอ่านพระราชาหัชเลขาไม่ออกราชทูต ก, ก็อ่านให้ฟังแต่ข้อความทุกข้อความเนี่ยมันไม่ใช่ของไม่ใช่ของราชทูตแต่เป็นของพระราชาถึงหมายความคนเหล่า น, นั้นฟังด้วยความเคารพเคารพในฐานะที่เป็นพระบรมราชาองค์การหรือพระราชสาร ไม่จากคนรับผูอ่านหรือถ้าพระเราพยายามที่จะสลัดตัวเองออกไปและทำตัวเป็นผู้รับใช้ไะรัตนาไตรเนี่ย น, นะครับแม้แต่การสร้างเหรียญสร้างเหรียญอะไรเหรียญที่เขาเขาเรียกว่าอะไรเครื่องรางของขลังอะไรเนะี่ยคือควรจะสร้างเป็นพระวุทธ ร, รูปไม่ควรจะสร้างเหรียญรูปตัวเองให้คนอื่นไปไหว้ไปกราบมัน มันเกินไปมันใหญ่โตเกินไปนะนะคือถ้าสร้างเป็นที่ระลึกมันก็ได้แต่ถ้าจะเอาเป็นของที่เคารพสักการะเนี่ยก็ไม่ควรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะให้ความสำคัญแก่ก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์นะฮนะลูกศิษย์เาจะทําศิษย์เขาจะทำเพือเชิดชูอาจารย์เขาตัวเอง ทีนี้ก็มาตอนหนึ่งที่ตอนปลายที่พระเจ้ารับสั่งเนี่ยรับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเพ่งนั่นเรือนว่างนั่นโคนไม้นั่นลองฟางอะรแต่แรงต่างแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงเพ่งคําว่าเพ่งเนี่ยมันเป็นการเรียกอารมณ์กรรมฐานถ้าสมถกรรมฐานเนี่ยท่านเรียกว่าอารามณูปนิชฌาน คือเพ่งอารมณ์ใช้อะไรก็ได้พุท ธ, ธานติก็ได้มานุนนนนต ส, าสติก็ไดานาปันติก็ได้อะไรก็เพ่งดูอารมณ์เหล่านั้นเพื่อใช้สติสัมชัญญาความเพียรให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอีกหนึ่งเป็นรักขณูปนิชานคือเพ่งแล้วก็พิจารณาเพง่งเพ่งดูเหมือนกันนะแต่ว่าพิจารณาแต่ส่วนใหญ่มันจะเพ่งด้วยจิตเป็นหลักหมายความว่าดู สิ่งอะไรก็คือนามรูปสรุปไปแล้วก็คือนามรูปถ้าเห็นในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาโดยพิจารณาเห็นโดยปัญญาชออใไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ปัญญวเคีาในช่วงกลางเนี่ยพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้เป็นชไหน โดยสรุปนะะว่าขั้นห้าในเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะยึดถือว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราแล้ว่อกราบทูดวันโนเหตตังพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะและเสร็จก็สรงสรุปสรุปทั้งหมด ว่าขั้นหน้าเนีดีกระดียนาคตกดีปัจจุบันก็ดีอยากก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีทั้งหมดแหะคือสรุปมาทั้งหมดตอแนวอภิธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการเจาะในรายละเอียดของจิตเตชะสิกรูปไม่ผ่านจริงๆก็สรุปแล้วก็คือนามารูปก็ให้เห็นด้วยปัญญาชอบว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของของเรา เธอทั้งหลายด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงและอย่างนี้แต่นี้การเห็นตรงเนี้ยมันเป็นดับเพราะเพราะเพราะเพราะเอกขมาของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็คือตัณหาอมาตถิฐิการเห็นตรงนี้เป็นเป็นตัวยานเป็นตัวยานหรือบางทีก็เรียกยาณทัศนะคือความรู้ความเห็นบางทีก็เรียกว่าสัมมาญาณะ ก็แล้วแต่นะคือคือว่าเช่ น, นในวิสุทธิเจตใช้คำวิญญาณทัศนะหรือความรู้ความเห็นที่เป็นการเข้าถึงความจริงที่แท้จริงคือ w ดับกิเลสได้อันนี้คือตั ว, ต, วตัวสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ตัวเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยมันก็มองไปที่ความรู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วก็รับสั่งในช่วงที่ข้อสุดท้ายเนี่ยว่าอายังโวอัม้ากังอนุสาสนีนี้เป็นอนุสาสนีคือการพร่ำสอนตามสอนย้ำสอนพูดแล้วพูดอีกตักเตือนแล้วตกเตือนอีกนี่ของเราตะถากรสำหรับเธอทั้งหลายหมายความว่าในในพระพุทธศาสนาที่จริงก็เนี่ยสอนในรลชชัปุตติเพง่ว่าในรัชวูปุตติ นะถ้าว่ากันเต็มที่แล้วคือกําหนดรู้ทุกละสมุทัทยนะฮะทให้แจ้งในรอดแล้วก็เจริญมากในตัวที่เราต้องทําจริงๆเนี่ยก็คือละทุกขไม่ใช่ละสมุทัยกันจเจริญมากแต่จริงๆเนี่ยคือจเจริญมากพราอมากเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะไปลดสมุ ท, ทยัยสมุทัยลดทุ ก, ก็ลดนะฮะนิโรธก็เพิ่มนั้นธรรมะปฏิวัติจริงๆจริงเป็นอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มพาวเวตประธรรมคือกุศลธรรมส่วนเหตุ กูนป้นจริงๆและกุส่วนธรรมส่วนเหตุเนี่ยคือเป็นตัวธรรมนาที่ขาดเกล่าว จ, จริงๆท่านฟังทนายเสียงธรรมจากมาวิรารัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงตนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี